แล้วก็พระโคดมคือพระพูทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะพระองค์มีปัญญาทําให้แจ้งพระองค์ไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่รู้อะไรเลยโลกนี้ทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกพร้อมทั้งหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เนี่ยพระองค์ทําให้แจ้งเบ็ดเสร็จหมดแล้วคือไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยนะที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่แจ้งไม่แทงตลอดไม่พินิตพิจารณาไม่ใคร่ครวญไม่มีเลยในโลก เะเพราะฉะนั้นสิสส่งใดที่สัตว์ทั้งหลายรู้เห็นคิดนึกไถ่ครวญด้วยใจสิ่งทั้งมวลเหล่านั้นพระองค์รู้เห็นหมดแล้วพระองค์จึงสามารถชี้แจงบอกแสดงแก่คนเหล่าอื่นได้นนขณะเดียวกันเมื่อพระองค์เสด็จไปที่ไหนพระองค์ก็แสดงธรรมที่งดงามในเบื้องต้นด้วยศสเนีน่ยนะด้วยสมถะทั้งหลายแสดงธรรมที่งามในท่ามกลางด้วยอริอร ย, อรยมรดุด้วยอริยะ ด้วยวิปัสนาด้วยอริยมรรคทั้งหลายแสดงทำงามในที่สุดโดยอริยผลและพระนิพพานทั้งหลายเพราะคําสอนของพระองค์เนี่ยนะเป็นคําสอนที่งดงามพยัญชนะแรกที่แสดงก็งามแล้วเนี่ยนะเพราะเป็นคําสอนที่พร้อมทั้ง อัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะเป็นคําสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเพราะเป็นคําสอนที่นําออกจากความทุกข์เป็นคําสอนที่สอนให้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่สงบทุกข์เพราะฉะนั้นการเห็นหมู่พระอรหันต์ทั้งหลายเห็นบานนั้นเป็นการดีพรรพวกเราทั้งหลายผู้เป็นชาวบ้านทั้งหลายถ้าได้ประสบพบเห็นได้ไปพบเจอพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอย่างนี้ชื่อว่าดีแท้เป็นบุญแท้เนี่ยนะเป็นบุญเป็นวาสนาของพวกเราทั้งหลายแท้ เพราะในอัธกถาหน้า258เนี่ยนะที่บอกว่าก็การเห็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณเช่นนั้นเนี่ยเป็นการดีแท้ดียังไงเห็นเห็นแล้วดียังไงเห็นเพราะว่าเป็นการเห็นที่นำประโยชน์มาให้เราการเห็นพระพุทธเจ้ามาจากพระพุทธเจ้าได้รับประโยชน์มากขึ้นแต่การเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเราทั้งหลายก็จะได้รับประโยชน์การเห็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายเราทั้งหลายก็จะได้รับแต่ ความสุขเพราะฉะนั้นการเห็นผ้าอรหันทั้งหลายเห็นปานนั้นน่ะเป็นการดีแท้เนี่ยนะถ้าได้เห็นผ้าอรหัน์ผู้ไกลจากกิเลสกําจัดข่าสึกคือกิเลสเนี่ยช่างดีแท้อ่าเพราะผู้ที่ได้ศรัทธาผู้ที่ได้ศรัทธาว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นพ้าอรหันทั้งหลายในโลกพระองค์เป็นผ้าอรหันก็เพราะบรรลุ ค, คุณะพิเศษตามความเป็นจริงของผ้าอรหันเหล่านั้นพัะผ้าอรหัน์โดยเฉพาะผ้าอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะ ท่านได้บรรลุคุณพิเศษตามความเป็นจริงคือคุณธรรมของพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่าใดเนี่ยนะเช่นว่าอากุ ป, ปาเจโตวิมุตต์เนี่ยนะท่านได้เจโตวิมุตต์อันไม่กำเริบพระอรหันต์คือผู้ที่ด้วยมีวิ ช, ชาและมีวิมุตต์พระอรหันต์คือผู้ได้วิ ช, ชาสามผู้ได้อริยผลสี่ผู้ได้ปฏิสัมพิทาสี่ผู้ได้อเอขะธรรมห้าผู้ได้อภิญญาหกเนี่ยนะผู้ได้กำลังของพระขีนาสกเจดเนี่ยนะ เป็นผู้ที่ได้วิโมกแอภิพายตนะ8ดได้อนุป ป, ปภะวิหารสมาบัติ9เนี่ยนะได้อะกองแห่งอาเสขะธรรมสิบเนี่ยงนั้นคุณธรรมทั้งปวงที่เป็นคุณธรรมของพระอรหันต์พระองค์เนี่ยมีครบถ้วนเต็มเปี่ยมและบริบูรณ์ขณะเดียวกันเนี่ยการที่จะได้เห็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย ยากเป็นแสนโกรธกลับไม่ใช่น้อยเพราะบางทีเนี่ยบางแสนโกรธกลับเนี่ยนะบางทีหลายๆแสนโกรธกลับก็ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเพราะยากเนี่ยนะยากยังไงยากที่จะมีผู้สร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรไปหาพระพุทธเจ้าโกรธทัญยะเนี่ยโลกไม่มีพระพุทธศาสนาหนึ่งอสงไข่นี่นะ พ้นจากพระพุทธเจ้าที่โกนธัญญามหาพระพุทธเจ้ามังคละเนี่ยนะโลกก็ว่างจากพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งอสงไขยเพราะฉะนั้นบางอสงไขยเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเพราะฉะนั้นจึงยากที่จะได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนี้ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบุญของเราแล้วที่เราจะได้ไปพบเห็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้นําประโยชน์และความสุขมาให้เรา ขณะดเดียวกันการได้เห็นพระองค์เนี่ยนะก็ไม่ใช่แบบไ ป, ปการเห็นที่น่าเกลียดน่ากลัวน่าขยะขยะยงเป็นต้นไม่ใช่ร่างกายของพระองค์เป็นที่รื่นรมเพราะร่างกายของพระองค์เนี่ยเกลื่อนกล่นเพียบพร้อมไปด้วยมหาบุริษลักษณะสามสิบสองประการแล้วก็มีพระรศมีสัน้นรัศมีที่สั้นออกมาจากกายผมของพระองค์ก็มีรัศมีสั้นออกมาขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแต่ละอย่างของพระองค์เป็นที่ตั้งสร้างแห่งบัร แผงรัศมีเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ในยามเช้าเนี่ยนะดวงอาทิตย์สีทองสองยามเช้าที่มีรมัศมีพุ่งออกมาเป็นช่อช่อช่อชันใดร่างกายของพระองค์ก็เป็นที่พุ่งออกแห่งพระรัศมีสีขาวสีเหลืองสีแดงสีนินเป็นต้นเนี่ยแผ่ซ่านออกจากพระวรกาย ันการที่ได้เห็นร่างกายของพระองค์ที่งดงามด้วยมหาปริศลลักษณะ32ประการเนี่ยนะงดงามตั้งแต่ปลายเล็บจนถึงเส้นผมหรือว่าพิจารณาข้างหน้าข้างหลังก็งดงาม แล้วก็ร่างกายของพระองค์ก็ประดับด้วยแก้วคืออนุพยัญชนะรายละเอียดปลีกย่อยที่อยู่ตามร่างกายทั้ง80ประการเรียกว่าอสีตินุพยัญชนะนุภาเวนะเนี่ยนะเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะเล็กน้อยรายละเอียดทั่วไปในร่างกายของพระองค์เวทล้อมด้วยพระรสมีวาหนึ่งซ่านออกจากมาภ ร, รากาเนี่ยโดยปกติรัศมีหนึ่งว า, งวาที่อยู่รอบกายของพระองค์เนี่ยนะไม่ถูกแสงจันทร์แสงเดือนแสงดาวแสงอาทิตย์แสงเหล่าใดที่จะมากรบเกลื่อน ปกติเนี่ยไม่มีแสงใดที่จะสู้แสงอาทิตย์ได้ในตอนกลางวันแสงอาทิตย์เนี่ยโดยมาจะกลบเกลื่อนแสงอื่นๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นการแสดงแสงสีเสียงให้งดงามท่ามกลางดวงอาทิตย์ท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งนี่สำเร็จไหมบอกยากฉันใดแต่พระพุทธเจ้ า, าไม่ได้เป็นอย่างนั้นแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ไม่กลบเกลื่อนรัศมีของพระองค์ไปได้เลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้น ก็ว่าถ้าพระองค์เนี่ยนั่งอยู่ตรงไหนดวงอาทิตย์อับแสงหมดมั้งนั้นนะ่ะแปลว่าดวงอาทิตย์เนี่ยอับแสงเขาไม่สา ม, มารถที่จะส่องแสงครอบงมรัศมีของพระองค์เพราะฉะนั้นการเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทำให้จิตใจเนี่ยสงบเยือกเย็นทำให้ไม่เร่าร้อนคิดยนง่ายงอย่างเงี้ยถ้าเราไปเห็นคนกโกรธเนี่ยเราจะโกรธตอบด้ไหมเอาเห็นคนเขาหงุดหงิดเราก็อยากจะหงุดหงิดด้วยเห็นคนเขาฟุ้งซ่านเราก็อยากจะฟุ้งซ่านด้วยเอาไม่เชื่อเห็นคนเขาด่าเราเราอยากเอาคืนเหมือนกันนะ เพราะอะไรเพราะว่ามันเชื่อกันเนี่ยถ้าไปเห็นคนที่สงบล่ะเราก็น้อมไปทื่สงบด้วยไปเห็นคนที่เขาสบายใจเราก็อยากสบายใจตามด้วยถึงเรามีเรื่องไม่สบายใจไปเห็นคนที่เขาสบายใจเราก็สบายใจแล้วเกันเพราะฉะนั้นการเห็นพระพุทธเจ้าจึงเป็นการเห็นที่ไม่เร่าร้อนนะเป็นการเห็นที่ยังศรัทธาให้เกิดขึ้นเป็นการเห็นที่เป็นทัศนานุตรยะการเห็นอย่างอื่นเนี่ยนะไม่ได้ประเสริฐ ไม่ได้มีคุณค่ามากมายเหมือนกับการเห็นพระพุทธเจ้าหรอกเพราะการเห็นพระพุทธเจ้านี่แหละจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเนี่ยนะขณะเดียวกันการเห็นพระพุทธเจ้าก็เป็นทัศนานุตรยาเนี่ยนะเป็นการเห็นที่ไม่มีการเห็นเหล่าใดที่จะประเสริฐยิ่งไปกว่าเพราะการเห็นที่เป็นไปเพื่อดับโสกปริเทวทุกขโทมนัสและ อุปาญาต์เป็นการเห็นเพื่อบรรลุอริยมรรคเป็นการเห็นที่ในที่สุดก็ทําให้แจ้งพระนิพพานชนเหล่าใดที่ยังจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามองเห็นด้วยสายตาที่เมตตาเนี่ยนะประกอบด้วยเมตตามองเห็นพระองค์อย่างนั้นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่แก่ผู้ที่พบผู้ที่เห็นแล้วหรือแม้ได้ฟังเสียงของพระองค์ที่แสดงธรรมเป็นธรรมที่ไพเราะเนี่ยนะเป็นธรรมที่ไพเราะ ในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดเป็นการได้ฟังพระธรรมที่พระองค์ประกาศอมตะธรรมเป็นการได้ฟังธรรมที่ประกอบไปด้วยองค์เก้าคือสุตะขยะวยากรณ์คาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอัภูตธรรมเวทละพระธรรมเหล่านั้นที่พระองค์สอนเนี่ยนะมีรสเดียวคือวิมุตติรสเป็นคาสอนที่สอนให ผู้ที่ฟังและปฏิบัติตามนี้สามารถที่จะทําให้ผลทุกคําสอนของพระองค์ฟังก็ไพเราะนึกตามก็ได้สติดได้ปัญญาได้ความรู้ความเข้าใจที่ละเอียดเพิ่มเติมยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีโอกาสดีขนาดนี้เหมือนกับจะได้พบเห็นพระพุทธเจ้าจะหาที่ไหนอีกแล้วเพราะฉะนั้นการเห็นอย่างนี้จึงเป็นการเห็นที่ดีแท้เพราะฉะนั้นเขาเหล่านั้นก็น้อมอัธยาศัยที่เป็นศรัทธาให้เกิดขึ้นว่า การลืมตาที่เรียกว่าการการที่เราลืมตาเนี่ยนะลืมตามองเห็นเนี่ยได้พบเห็นพระพุทธเจ้าก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จะนะการที่แม้กระทั่งลืมตาดูนี่ก็ได้รับประโยชน์มหาศาลเปรียบ เปรียบเทียบหาค่าไม่ได้แล้วเพราะได้เห็นภาพพระพุทธรัตนะเนี่ยนะได้มองเห็นพระพุทธศรีระที่สั่งสมด้วยบุญกุศลคุณงามความดีมาตลอดสี่อสงไขยแสนกลับเป็นร่างกายที่บุญทั้งหลายมาจัดสรรและตกแต่งเนี่ยนะให้เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาขณะเดียวกันเมื่อพระองค์แสดงธรรมเนี่ยนะเสียงของพระองค์ที่แสดงธรรมก็เป็นเสียงที่ประกอบไปด้วยองแปดเนี่ยนะเป็นเสียงที่สุขุมลุ่มลึกเป็นเสียงที่นิ่มนวลเป็นเสียงที่ไม่ แตกพราาเนี่ยนะเป็นเสียงที่กลมกลม่อมเป็นเสียงที่เป็นอ่าสำเนียงที่สนอแล้วก็ต่อเนื่องเหมือนกับเสียงนกกระเวกเป็นเสียงที่ประกอบไปด้วยองแปดเพราะฉะนั้นได้ฟังหนึ่งบทนี่ก็วิเศษแล้วไม่ต้องว่าฟังเป็นชั่วโมงฟังเป็นวันเป็นคืนได้ฟังแค่คําเดียวเนี่ยนะด้วยจิตที่เลื่อมใสแล้วก็ศรัทธาก็ยังเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเนี่ยนะก็อย่างที่กล่าวว่าได้ยินเสียงธรรมของพระองค์แม้แต่กบตัวน้อยเนี่ยนะ กบตัวน้อยได้ยินเสียงของพระองค์ตายแล้วก็ยังไปเกิดเป็นเทพพบุตรเรียกว่ามันดูกะเท พ, พบุตรเท พ, พบุตรกบตอนหลังกบตัวนั้นลงมาฟังธรรมก็ยังได้ บรรลุมรผลนิพานหรือแม่ไก่ที่ฟังเสียงพิสูจน์ทั้งหลายสาธยายทำอยู่ข้างๆศาลาเนี่ยนะแม่ไก่เหล่านั้นก็ยังเป็นปัจจัยให้บรรลุมรผลเนี่ยนะหมูทั้งหลายที่รักหากินอยู่ใต้ถุนวัดเหมือนกันเถิดได้ยินเสียงสาธยายพระธรรมทั้งหลายก็ยังเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขยังเป็นไปเพื่อมรเพื่อผลค้างขาวทั้งหลายที่อยู่ในธรรมได้ยินเสียงพระธรรมคําสอนเนี่ยนะด้วยจิตที่ศรัทธาก็ยังเป็นไปเพื่อบรรลุมรผลแค่ฟังเสียงสวดเสียงท่าสาธยาย ก็ยังมี คุมากถ้าได้ไปฟังธรรมจากพระองค์เลยเนี่ยจะมีอ่าจะมีคุณขนาดไหนเนี่ยนะจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขขนาดไหนแล้วก็เสียงเหล่านั้นไม่ได้เสียงที่เกิดแบบเสียงดนตรีเสียงปีเสียงกลองเสียงสังเสียงแตรเสียงระนาบปีโพลอะไรเป็นต้นไม่ใช่เสียงเหล่านั้นเลยแต่เป็นเสียงที่มีพระมหากรุณามอ่ามหากรุณาเป็นสมุทฐานมีสัพพัญญุตยานเป็นสมุทฐานเป็นเสียงที่อ่าสำรวจตรวจตราเป็นเสียงของผู้รู้แจ้งโลกน่ยนะ เป็นเสียงผู้ที่เป็นพระอรหันเนี่ยนะ เรียกว่าได้ฟังเสียงของพระอรหันได้และพระอรหันพระองค์นั้นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะผู้เสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกนะผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้จำเนกแจกแจงพระธรรมรัตนาะการได้พบปะพบเห็นได้การฟังธรรมเนี่ยยังประโยชน์ยังความสุขให้เกิดเคลื่อนแก่ พวกเราทั้งหลายหาที่สุดหาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยมีการชักชวนกันเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับเนี่ยนะทีนี้เมื่อเข้าไปถึงแล้วก็อย่างว่า น, นะ บางพวกพอไปถึงที่ประทับก็ถวายอภิวาทกรากว่าให้เป็นบุญเป็นกุศลแล้วที่เราได้มีเขาก็มาคุกเข่าให้พระพุทธเจ้ามีสินิ้วอันรุ่งเรืองก็มานอบน้อมพระพุทธเจ้ามีศีรษะก็มาก้มลงกราบน้อมอภิวาสต่อพระพุทธเจ้าก็ถือว่าผู้นี้เลื่อมใสศรัทธาในาพระพุทธเจ้าบางพวกก็มาบันเทิงพูดคุยสนทนาปราศัยพอให้ระลึกถึงการไปแล้วก็นั่งลงณนะที่ควร ส่วนข้างหนึ่งบางพวกก็ประนมอัญชลียกมือหันสินิ้วไปหางผ่านพระพุทธเจ้าบางพวกก็ไปถึงก็ประกาศบอกชื่อบอกนามสกุลบอกชื่อบอกโค้แล้วก็นั่งลงบางพวกไม่บางพวกไม่ว่าอะไรแล้วก็ไปถึงก็นั่งลงนิ่งนะนะเสร็จแล้วก็ได้ถามปัญหากับพระพุทธเจ้าส่วนปัญหาจะเป็นอย่างไรอ่ะก็คงไว้เป็นตอนบ่ายแล้วกันเจริญพร